แต่ในภาษาไทยก็ไม่เรียกว่าชั่วดังจะเห็นต่อไปกุศลและอกุศลเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นในจิตใจและมีผลต่อจิตใจก่อนแล้วจึงมีผลต่อบุคลิกภาพและแสดงผลนั้นออกมาภายนอกความหมายของกุศลและอกุศลจึงเพ่งไปที่พื้นฐานคือเนื้อหาสาระและความเป็นไปภายในจิตใจเป็นหลักกุศลแปลตามศัพท์ว่า ฉลาดํำนานสบายเอื้อหรือเกื้อกูลเหมาะดีงามเป็นบุญคล่องแคล่วตัดโรคหรือตัดสิ่งชั่วร้ายที่น่ารังเกียจส่วนอกุศลก็แปลว่าสภาวะที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกุศลหรือตรงข้ามกับกุศลเช่นว่าไม่ฉลาดไม่สบายเป็นต้น ความหมายเชิงอธิบายในทางธรรมของกุศลที่ถือได้ว่าเป็นหลักมีสอย่างคืออารโคยะอนวัชชะโกสละสัมภูตะและสุขวิปากะอารโคยะแปลว่าความไม่มีโรคคือสภาพจิตที่ไม่มีโรคอย่างที่นิยมเรียกกันบัดนี้ว่าสุขภาพจิตหมายถึงสภาวะหรือองค์ประกอบที่เกื้อกูลแก่สุขภาพจิต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 มีโยนิโสมนสิการคือความรู้จักคิดแยบคายหรือรู้จักทําใจอย่างฉลาดเป็นปัจจุบนสุกวิปากะหรือสุขวิบากปแปลว่ามีสุขเป็นวิบากคือเป็นสภาพที่ทําให้มีความสุขเมื่อกูสลธรรมเกิดขึ้นในใจย่อมเกิดความสุขสบายคล่องใจในทันทีนั่นเองไม่ต้องรอว่าจะมีผลตอบแทนภายนอกหรือไม่เหมือนกับว่า เมื่อร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคเบียดเบียนก็คือมีอโรคะไม่มีสิ่งสกปรกเสียหายปราศจากมนทินหรือของที่เป็นพิษภัยมาพ้องผ่านก็คือมีอนวัตชะและรู้ตัวว่าอยู่ในที่มั่นคงปลอดภัยถูกต้องเหมาะสมก็คือมีโกสละสัมภูตะถึงจะไม่ได้เสพเสวยสิ่งใดพิเศษออกไปก็ย่อมมีความสบายได้เสวยความสุขอยู่แล้วในตัว นอกจากความหมายทั้งสี่นี้แล้วคัมภี์บางแห่งกล่าวถึงความหมายอื่นอีกสมอย่างคือเฉกะแปลว่าฉลาดและเขมะแปลว่ากเกษมคือปลอดโปร่งมั่นคงปลอดภัยและนิทรระแปลว่าไม่มีความกระวนกระวายแต่พอจะเห็นได้ว่าความหมายสามอย่างนี้รวมลงได้ในความหมายสอย่างที่กล่าวมาแล้วข้างต้น และในบรรดาความหมายสี่อย่างนั้นความหมายที่สคือโกสละสัมภูตะเป็นความหมายแกน่นอัหนึ่งพึงทราบว่าคาอธิบายความหมายที่แสดงไว้ข้างต้นนั้นเป็นการขยายความของผู้เขียนเองด้วยม่ใช่คัดมาตรงๆจากคำพีความหมายของอกุศลก็พึงทราบโดยนัยยะตรงข้ามจากที่กล่าวมานี้คือเป็นสภาพจิตที่มีโรค ไร้สุขภาพมีโทษมีตำหนิมีข้อเสียหายเกิดจากอาวิชชาและมีทุกข์เป็นวิบากผู้สั้นๆอีกนายะหนึ่งว่าเป็นสภาพที่ทำให้จิตเสียคุณภาพและเสื่อมสมรร ถ, ถภาพตรงข้ามกับกุศลที่ส่งเสริมคุณภาพและสมรร ถ, ถภาพของจิตเพื่อให้เห็นความหมายชัดเจนยิ่งขึ้นอาจบรรยายลักษณะของจิตที่ดีงามไร้โรค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 ควรแก่งานหรือพร้อมที่จะใช้งานปากุณะคล่องแคล่วอุชุซื่อตรงไม่คดโค้งโกงงอบิดเบือนเชื่อแชชุดนี้จากโสพณะเจตสิกส่วนหนึ่งในอภิธรรมอีกชุดหนึ่งว่ามุทุนุ่มนวลละมุนกรรมนิยะควรแก่งานเหมาะแก่การใช้งานปัพสระ ผ่องใสแจ่มจ้าอปพังคุไม่เปราะเสาะแข็งแรงทนทานสมาหิตะตั้งมั่นอนนาวรณะหรืออนนาวรไม่มีสิ่งกีดกัน้นไม่ถูกจํากัดอณีวรณะหรืออณิวรไม่มีสิ่งขัดขวางไม่ติดขัดหรือคับข้องอนุปักกิลิทะไม่เศร้าหมองไม่ขุนมัว อนัชารุนละหะไม่ถูกกดทับไม่ถูกกดถูกบีบอวิคาตะไม่คับแขนไม่คับเครียดอึดอัดชุดนี้เกี่ยวด้วยนิวรและโพชงเลือกเก็บจากอุปกิเลสสูตรถึงนิวรณสูตรสังยุตติกายมหาวาระอีกชุดหนึ่งว่าสมาหิตะตั้งมั่นทรงตัวเรียบสม่ำเสมอปริสุทธะสะอาด หมดจดปริโยธาตะพุทพผ่พองกระจ่างสว่างสวยัยอันังคณะไร้ไฟฟ้าโปร่งโล่งเกลี้ยงเกลาวิคตูปกิเลสะปราศสิ่งมัวหมองมุทุภูตะนุ่มนวลละมุนละไมกรรมนิยะควรแก่งานถิตะและอาเนนชับปัตตะส่งตัวอยู่ ตั้งอยู่ได้เข้าที่อยู่ตัวไม่หวั่นไห ว, วแน่วแน่ไม่วอกแวกชุดนี้คือลักษณะจิตที่ประกอบด้วยสมาธิเป็นอย่างดีแล้วลักษณะต่อไปนี้โดยมากเป็นภาวะจิตและบุกลิกภาพของพระอาหารหันต์นำมาลงไว้สำหรับประกอบการพิจารณาด้วยเช่นอกิจจนะไม่มีอะไรค้างใจไม่มีสิ่งข้างค้างกังวล สันตะสงบซึงอาศกะไรโศวีรชะไม่มีทุลีเขม ะ, กะเกษปลอดโปร่งมั่นคงไม่มีภัยนิจฉาตะใจไม่หอยหิวใจอิ่มสีติภูตะเย็นหรือเย็นซึงนิพุตะหมดร้อนเสรี เที่ยวไปได้ตามสบายไม่มีอะไรเกาะเกี่ยวสยังว่าสีมีอำนาจในตัวเองเป็นตัวของตัวเองแท้จริงสุขีมีความสุขหรือเป็นสุขอีกชุดหนึ่งโดยมากเป็นลักษณะจิตและบุคลิกภาพของพระอรหันต์เหมือนกันแต่เน้นเฉพาะแง่ที่เป็นอิสระเช่นอนันลีนะไม่ติด หรือไม่หมกมุ่นอนาทโชสิตะไม่สยบอนูปลิตตะไม่ถูกฉาบติดหรือไม่แปดเปือ้อนอานิสิตะไม่พึ่งพิงไม่ขึ้นต่อสิ่งใดวิสัญญุตะไม่ผัวพันวิปปมุตตะหลุดพ้นวิมริยาทิกตจิตมีจิตไร้ขอบขั้นหรือมีใจไร้เขตแดน เพื่อให้กาหนดได้ง่ายขึ้นอาจรวมลักษณะเหล่านี้เข้าเป็นกลุ่มได้ดังนี้คือกลุ่มที่หนึ่งตั้งมั่นเช่นแน่วแน่อยู่ตัวทรงตัวเรียบสม่ำเสมอไม่วันไหวไม่วอกแวกไม่พลาดไม่สายกลุ่มที่สองบริสุทธิ์ผ่องใสเช่นปราศสิ่งมัวหมองไม่ขุนมัวไม่เศร้าหมอง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 เบาสบายไม่หนักคล่องแคล่วทนทานไม่เปราะเสาะไม่กระด้างซื่อตรงไม่เอ็นเอียงไม่คดงอไม่บิดเบือนไม่เฉยฉยกลุ่มที่หสงบสุขเช่นผ่อนคลายเรียบสงบไม่เครียดไม่คับแขนไม่เดือดร้อนไม่กระสับกระส่ายหรือทุรนทุราย ไม่ขลาดแคลนไม่หิวโหยเอิบอิ่มเมื่อทราบลักษณะของจิตใจที่สมบูรณ์มีสุขภาพดีไร้มนทิถินโทษเช่นนี้แล้วก็พึงนำเอาธรรมที่ได้ชื่อว่าเป็นกุศลและอกุศลมาพิจารณาตรวจสอบดูว่าธรรมที่เป็นกุศลส่งเสริมคุณภาพและสมรรถภาพของจิตใจจริงหรือไม่อย่างไรและธรรมที่เป็นอกุศลทาให้จิตมีโรค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 อโลภะความไม่โลภว่างจากความอยากใคร่ติดใจตลอดจนมีความคิดเผื่อแผ่แก่ผู้อื่นปัญญาความรู้ชัดความเข้าใจความรู้เท่าทันตามความเป็นจริงปัจสัิความผ่อนคลายสงบเย็นกายเย็นใจไม่เครียดไม่กระสักกระสายกุศลฉันทะความพอใจใฝ่รักสิ่งดีงาม อยากรู้อยากทำให้เป็นจริงมีจิตพุ่งแล่นไปในแนวทางแห่งเหตุปัจจัยมุทิตาความพลอยเบิกบานยินดีบันเทิงใจเมื่อผู้อื่นประสบความเจริญหรือเป็นสุขเป็นต้นตัวอย่างอากุศลธรรมเช่นกามฉันทะความอยากได้ใคร่เอาพยาบาทความคิดร้ายขัดเคืองหรือแค้นใจถีณมิทธะความหดหูท้อแท้ ห่อยเงาเสื่องซึมและงอกง่วงอุททัจะกุกกุจจะความฟุ้งซ่านคิดพลานหงุดหงิดกลัดกลุ้มรำคาญและเดือดร้อนใจวิจิิจฉาความลังเลไม่อาจตัดสินใจโกทะความโกรธอิจสาความริษยาเห็นคนอื่นได้ดีทนไม่ได้มัจริยะความตรหนีความหึงหวง ความคิดเกียดกันเป็นต้นเมื่อมีเมตตาจิตใจย่อมสุขสบายเชื่อมชื่นผ่องใสปลอดโปรง่งและกว้างขวางเป็นสภาพเกื้อกูลแก่ชีวิตจิตใจส่งเสริมคุณภาพและสมรรถภาพของจิตเมตตาจึงเป็นกุศลสติทำให้ใจอยู่กับสิ่งที่กำลังเกี่ยวข้องหรือต้องทำระลึกได้ถึงการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสมในกรณีนั้ น, น, น และป้องกันไม่ให้อกุศลธรรมทั้งหลายได้โอกาสทำให้จิตใจอยู่ในสภาพพร้อมที่จะทำงานได้อย่างดีสติจึงเป็นกุศลความริษยาทำให้จิตใจแคบถูกกดทับบีบคั้นไม่สบายไม่ปลอดโปร่งบั่นทอนคุณภาพและสุขภาพจิตอย่างเห็นได้ชัดความริษยาจึงเป็นอกุศลความโกรธก็แผดเผาใจของตนเอง บีบคั้นกระทบใจให้ไม่สบายและส่งผลกระทบกระเทือนออกมาถึงสุขภาพกายได้อย่างรวดเร็วจึงเห็นได้ชัดเช่นกันว่าเป็นอากุศลกามฉชันทะหรือแม้ความโลภอย่างกว้างกว้างก็ทำให้จิตใจวก ว, วนปัวพันติดข้องปลัดกลุ่มหรือเอ็นเอียงไปเดินไม่ตรงและมัวหมองไม่โลง่งไม่โปร่งไม่ผ่องใสจึงเป็นอกุศลดังนี้เป็นต้น มีข้อสังเกตว่าความหดหู่หงอยเหงาเฉาซึมและความฟุ้งซ่านเป็นต้นแม้จะเป็นอกุศลแต่ในภาษาไทยจะเรียกว่าเป็นความชั่วก็คงไม่สู้ถนัดปากนักในทํานองเดียวกันกุศลธรรมบางอย่างเช่นความสงบผ่อนคลายภายในกายในใจจะเรียกในภาษาไทยว่าความดีก็อาจจะไม่สนิททีเดียวนักนี้เป็นตัวอย่างแง่หนึ่งให้เห็นว่า กุศลและอกุศลกับความดีและความชั่วไม่ใช่มีความหมายตรงกันแท้ทีเดียวเมื่อเข้าใจความหมายของกุศลและอกุศลอย่างนี้แล้วก็ย่อมเข้าใจความหมายของกรรมดีและกรคำชั่วคือกุศลกรรมและอกุศลกรรมด้วยดังได้กล่าวแล้วว่าเจตนาเป็นตัวกรรมดังนั้นเจตนาที่ประกอบด้วยกุศลก็เป็นกุศลเจตนา และเป็นกุศลกรรมเจตนาที่ประกอบด้วยอกุศลก็เป็นอกุศลเจตนาและเป็นอกุศลกรรมเมื่อกุศลเจตนาและอกุศลเจตานานั้นเป็นไปหรือแสดงออกโดยทางกายทางวาจาและทางใจ <te am> ก็เรียกว่าเป็นกุศลกรรมและอกุศลกรรมทางกายทางวาจาและทางใจหรือเรียกอีกนัยหนึ่งว่ากายกรรมวจีกรรม และมโนกรรมที่เป็นกุศลและเป็นอกุศลตามลาดับความแตกต่างระหว่างกุศลฉันทะกับการฉันทะหรือโลภะจะแสดงในตอนว่าด้วยปัญหาเกี่ยวกับแรงจูงใจในบทที่21ในที่นี้พึ่งสังเกตเข้าคล้าว่าโลภะจับอารมณ์ที่เสมือนสำเร็จรูปแล้วหรือตั้งอยู่ณสุดทางที่ตันหรือตายตัวของมันโลภะมุ่งเอาอารมณ์นั้นมาเสพเสวย และเกิดมีตัวตนที่จะเอาหรือจะเสพเสวยนั้นส่วนชันทะจับอารมณ์ที่เสมือนตั้งอยู่ณจุดเริ่มต้นของมันมีอาการที่จิตแพร่ไปรวมกลมกลืนกับสิ่งหรืออารมณ์นั้นในการกระทําเพื่อก้าวไปสู่จุดหมายคือความเสร็จสิ้นสมบูรณ์ไม่เกี่ยวกับความรู้สึกที่จะเสพเสวยและไม่เกิดความรู้สึกจํากัดแบ่งแยกมีตัวตนที่จะเอาหรือจะเสพเสวย